วันนี้เป็นวันที่สองตุลาคมพุทธศักราช2558ขึ้นเดือนตุลาแล้วนะที่นี้นะคณะสัท ا ญาติโยมลูกลานเมื่อวานหลวงพ่อออกไปตั้งแต่ตีสี่เกือบตีหออกไปวัดป่ารวมธรรมพอฉันงหัน เพราะถ้าว่าเราจะไปตอนสายมันก็นจะรีบเร่งเกินไปหลวงพ่อก็เลยออกไปแต่เช้าไปฉันที่วัดรวมธรรมวัดทานรัตนเะพอฉันเสร็จแล้วก็19เกเก้านากาเขานัดกัน10บโมงเซ็นสัญญาสร้างอาคารเรียนให้กับตำบลสมเศราบ้านสมเศร้า อำเภอเพนจังหวัดอุดรจังหวัดเศร้าความนี้เหมือนกับก้อนเศร้าดูรัชเ ล, ลยเอสอเสือไมโทและก็สอสละอาเศร้าตำบลสมเศร้าอาคารเรียนหลังนี้เขาสร้างมาตั้งแต่ปี2510นมาเจ็ดสอรเป็นพวกกลอปกกลางสร้างจากนั้นมาก็นับรู้เสียว่า กี่ปีสี่สิบกว่าปีรู้สึกว่าพอออเขาผู้รับผิดชอบเขากลัวมันจะไม้จะหล่นลงมาใส่เด็ก เ, เขาก็เลยปลารบกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อไปในงานวัดรวมธรรมหลวงพ่อก็เออเอาไปดูใชหให้กู้คนไปดู ก็สมควรแต่เขาก็ขอมาหลายปีนะไม่ใช่ขอปีเดียวได้เลยนะลูกหลานนะพอหลวงพ่อก็หาจังหาจังบวะหาเจ้าภาพก็พอดีเจ้าภาพคือคุณท่านศาสตราจารย์ด็กเตอร์หิรันรดีสีอดีตผู้ว่าการรับไฟแห่งประเทศไทยท่านก็ปรารบขึ้นมาหลวงพ่อเออรับ แล้วก็หาที่ลงเพราะมีจังหวะก็เลยนัดโมวานก็เลยนัดท่านมาแล้วก็นัดผู้รับเหมามาแล้วก็มอบหมายหลวงพ่อก็ได้พูดใ้ชุมชนของเขามีท่านในอำเภออำเภอเพนแล้วก็รองผู้กากับแล้วก็สำนักพุทธใหญ่มหมาเมวานผู้ใหญ่มาหลายคนเหมือนกันนะ หลวงพ่อก็มอบหมายให้ช่วยๆกันดูเป็นหูเป็นตาอย่าได้มีอุปสรรคบางคนอาจจะมิจฉ า, าชีพมาลาวีมากันแกล้งหรือมาลักขโมยสิ่งของก็ขอมอหยทัางบ้านเมืองเป็นหูเป็นตาเพราะว่ามันเป็นการอ่อนไหวไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินงบประมาณกระเป๋าเอามาให้ด้วยศรัทธาถ้าเอามาให้แล้วคนในท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญอย่างปูยี่ปูยำยังขโมยสิ่งของไปอีกแสดงว่าชุมชนไม่ต้องการชุมชนไม่ดูแลชุมชนไม่เป็นหูเป็นตาช่วยเผลอเผล อ, อ, อท่านผู้เจ้าเงินเจ้าของเงินท่านอาจจะยกเลิกก็ได้เพราะเป็นเงินกระเป๋าของท่าน เพราะนั้นขอฝากไว้กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหน้านหลวงพ่อก็พูดให้ดูแลให้ดูแลช่วยๆกันเมื่อวานนี่พอเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อก็ไปพักที่วัดรวมธรรมประมาณห้าโมงหลวงพ่อก็ไปอำเภอบ้านรุงต่อไปเขานนิ ม, มนต์เขานนิ ม, มนต์แสดงธรรมไปเทศในงานของ ท่านอาจารย์พระคูน้อยเจา้าคณะอำเภอบ้านดุงวัดบุรภาวันท่านมรณะภาพไปได้สิบเอ็ดปีในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อเคยไปจากนั้นก็ไม่เคยไปอีกเลยนานขนาดนั่นหละแต่ศรัทธาญาติโยมนด้หมุนไปแสดงธรรมหลวงพ่ออืมควรจะไปพบกับพระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมใน ท, ท้องถิ่น เราพอที่จะไปได้อยู่ก็เลยปลีกตัวไปเมื่อวานนี้ไปถึงก็ประมาณสักแปดสิบแปดนิกาสามสิบก็เกืนแสดงธรรมรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธายันโยมก็มากเนะล้นหลามหลวงพ่อเทศแสดงธรรมอยู่นานพาอสมควรพอจบลงไปแล้วก็ถวายจจตุปัจจัย ห้าหมกว่าบาทมาพ ร, ระไตรกับปัจจัยหลวงพ่อก็มอบให้งานทั้งหมดนะาการเทศของหลวงพ่อให้ไปใช้เอาใช้ในงานนะลูกหลานนะให้เกิดประโยชน์หลวงพ่อก็พ่อเป็นพอไปอยู่มานี้นกับพระเนรก็เยอะแยะกว่าจะได้จตุปัจจัยมาก็เอาเป็นปัจจัยการเทศหลวงพ่อร่วมสมทบในงาน ตวายพระลูกลานหรือใช้ค่าใช้ใจ่ายอาจารย้หลวงพ่อก็นั่งรถมาคิดว่าจะแวะพักวัดรวมธรรมโอ้ไม่พักหรอวะมัคงจะถึงวัดเวลาเท่าไหร่คงจะไม่นานมากแต่พอมาถึงวัดสีทุ่มแนละ้วลูกลานนะสีทุ่มกว่าเมื่อคืนเนี่ยกว่าจะได้พักก็ประมาณห้าทุ่มเนี่แหละภารกิจของ หลวงพ่อแต่จะว่าหนักไหมก็นหนักสำหรับผู้สูงอายุอย่างหลวงพ่อไปตลอนอย่างนั้นบ่อยๆก็ไม่ดีแต่นานๆไปทีหนึ่งก็ดีเป็นการแต่คบคาสมาคมคบลูก ค, บ, ค, บ, ค, บ, คบลูกหลานศรัทธาญาติโยมแต่ไปมากๆบ่อยๆไม่ดีก็รู้ควรจะแบ่งรับแบ่งสู้แต่มากกว่านี้เขคงจะหยุดละ แต่คิดว่าจะหยุดมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ก็มาเห็นศรัทธาญาติวงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อืมน่าจะเกิดประโยชน์สำหรับชุมชนสังคมของพวกเราเพราะในยุคนี้สมัยนี้พระที่จะเทศนาหรือว่าเป็นที่ยอมรับในการเทศก็มีน้อยลงเรื่อยๆแต่หลวงพ่อเนี่ยยอมรับไหม กัลักษณะพอพูดได้เท่านั้นเองนะหลวงพ่อก็รู้รู้ตัวของหลวงพ่อเหมือนกันแต่ดีกว่าไม่พูดพูดดีกว่าไม่พูดถ้าไม่พูดก็รู้สึกว่าเงียบเหงาเกินไปในไปไปนสถานที่ใดไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการแสดงความคิดเห็นอะไรเลยถ้าแสดงความคิดเห็นก็ถ้าชุมชนเขาไม่ยอมรับ มันก็ยากแต่ทางเขายอมรับมันก็ดีเกิดประโยชน์แต่ยกหลวงพ่อเนี่ยยอมรับไหมที่ไปแสดงธรรมแต่ตามหลวงพ่อกับมองหมอดูแล้วก็ไปสังเกตดูแต่เมื่อคืนนี่ก็ถ้าว่าใครได้ฟังเฟซบุ๊กนะได้ฟังเฟสที่ออกไปก็คงจะโดนโดนหลวงพ่อขู่เหมือนกันนะเพราะเพราะไปในต่างถิ่นเน่ย เนี่เพราะเขาเคยเป็นธรรมชาติของเขาขอเข้ามากต่คุยกันเขาโมโ้สงเสียงพระเทศก็เทศไปคน ค, คุยกับคุยกันไปแอบเพือเพอโทรศัพท์ยกขึ้นมากับคุยกันไปแต่หลวงพ่อไปอา้าวพี่น้องประชาชนอยู่ในความสงบถ้าว่าใครมีธุระภาระส่วนตัวที่จะต้องคุยออกจากศาลาถ้าใครมีโทรศัพท์เข้ามาในบริเวณห้ามคุยกันออกไป แล้วก็ปิดโทรศัพท์ในขณะที่หลวงพ่อกนลังเทศเก็พร้อมกันก็นให้ปิดโทรศัพท์ทุกคนเพราะมาที่นี่มาฟังไม่ใช่มาคุยกันถ้าคุยกันบดที่คุยแล้วเหรอทำไมไม่ออกไปคุยข้างนอกถ้ามาคุยกันทำไมที่ศาลาที่หลวงพ่อมาที่นี่นะเขา บ, บอกในดีกานหมนต์บวชนิมนต์นิมนต์นนหลวงพ่อไปแสดงธรรม หลวงพ่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจมาเพื่อจะแสดงธรรมพวกท่านทั้งหลายมาอะไรเขาเชิญมามาเล่นมาสนุกสนานมาคุยกันอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็คงจะเชิญมาร่วมงานเพื่อไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมเทศนาร่วมกันแต่พอมาแล้วพวกเราคุยกันถูกไหมให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะ ถ้าทำไม่ถูกแปลว่าไม่รู้จักกาละเทสะบุคคลการสถานที่ที่บุคคลเรามองระวังไม่ถูกอันนั้นแปลว่าไม่ถูกต้องจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าได้อย่างไรแต่ขนาดกาละเทสะอย่างนี้พวกเราควรอย่างควรวางตัวไม่ถูกมันต้องรู้ว่าการเช่นนี้เราควรทําอย่างไรเวลาเช่นนี้เราควรทําอย่างไร เข้ามาในชุมชนกลุ่มนี้เราควรทําตนอย่างไรนี่แหละให้รู้จักในการวางตัวไปณนะสถานที่ใดมีแต่ราพื่นเรียบร้อยสบายอกสบายใจทุกๆคนแถมมาแล้วก็ไม่รู้จักกาละเทศะขมโมวงสงเสียงไปเรื่อยเจ้าภาพก็ไม่รู้จะทายังไงจะบอกกล่าวยังไงพ่อใหญ่ด้วยกันแล้วตัวเองก็ว่าตัวเองทาถูกมาคุยทักทายคนนั้นทักทายคนนี้ มันไม่ใช่สถานที่ทักทายถ้าจะออกทักทายก็ต้องออกทักทายนอกศาลาเห็นกันพูดกันแต่อยู่ในบริเวณศาลาเนี่ยเข้ามาในพิธีพิธีมันต้องอยู่ในความสงบฟังพอมาฟังเขานี่มโนมาแสดงนิมนต์พระครูบาอาจารย์มาเพื่อแสดงธรรมให้ฟังถ้าเราไม่อยากฟังหนีออกไปข้างนอกไปอยู่ข้างนอก หลวงพ่อก็ขู่ขูอย่างนั้นแหละนะแต่หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดถูกนะอหลวงพ่อจึงพูดสิ่งไหนก็ตามที่หลวงพ่อคิดว่าพูดไม่ถูกแล้วหลวงพ่อจะไม่พูดอคิดว่ามีเหตุมีผลจึงพูดในเรื่องนั้นถ้าว่าคนใดก็ตามหลวงพ่ออินพูดไม่ถูกหลวงพ่อก็จะจะได้ยินเหมือนกันย้อนเก็ตหลวงพ่อมันมาดูเหมือนกันฮะหลวงพ่อก็อยากจะรู้ ที่หลวงพ่อพูดไปนะั้นมันผิดมันผิดมันไม่ถูกทํานองคลองธรรมไม่รู้จักกาละเทสนะหลวงพ่อในฐานะประชาธิปไตยนะคณะราญาติโยมลูกหลานสิ่งไหนที่ผิดสิ่งไหนถูกอันไหนควรไม่ควรหลวงพ่อจะเป็นผู้ฟังและเป็นผู้สังเกตฟังลูกฟังหลานฟังคณะราษฎรญาติโยมทุกหัวทุกแข่งทุกคู่ทุกคนไม่ว่าเด็กไปว่าผู้ใหญ่แต่ดาว่าใคร พูดไม่ถูกนะไม่ว่าผู้ใหญ่ไปว่าคนไหนล่ะไม่ว่าเด็กนะโดนขู่ทันทีเลยเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเองก็ได้รับคำมาอย่างนั้นเหมือนกันบางทนะีตั้งใจเกินไปนะบางทีไปพูดก็หลงตานะทั้งที่จะพูดให้มันถูกต้องเนะี่ยกลับพูดไม่ถูกหลงตาก็ขู่เอามาลูกกี่ครั้งตกกี่หนนะเพราะความตั้งใจเกินไปบางที ก, กาลังจะพูด เพราะความกลัวเพราะความเขารบเพราะความกลัวมันปากค้างเหมือนกันแต่มันหัวใจมันคิดแต่อยู่แต่ปากมันออกปากมันพูดไม่ออกเนี่ยอย่างนี้คนมีเลยอันนี้ที่เป็นหลวงพ่อแล้ะลวงพ่อก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันบางครั้งแต่เห็นเขาพูดไม่ออกเรื่องแทนเองว่าพูดไม่ออกเอเราก็รู้ว่าอืเขาเกรงเขาเกรงเขาระวังตัวเอี่ย ถ้าพูดผิดผิดพอพูดผิดผิดออกมาหลวงพ่อคิดขำขำในใจแต่ทําท่าขู่ไปอย่างนั้นล่ะพราะตัวเองก็เคยเจอมาแล้วใช่ไหมตัวเองก็เคยเจอกับหลวงตามาแล้วพอเราคอรบรักในองค์หลวงตาเอเราตั้งใจว่าจะพูดให้ถูกนะ่ะอแต่กับพูดออกไปมันอีกไปอย่างหนึ่ ง, งนี่แหละมันมีลูกกี่ครั้งตัว ก, กี่โหนเหมือนกันในชะ่แต่นี่ก็เพราะนั้นเราลูกน้อง บ, บริวารของเรา มาแสดงความคิดเห็นบางครั้งเราก็ ม, มันคงจะเป็นอย่างเราก็มังบางครั้งก็ยุ่นยวนแต่ทางเขาพูดแบบไม่รับผิดชอบแบบทะลึงไปเลยอนั่นไม่ได้ไม่ได้ก็ลูกเลยลูกเลยวะในพูดอย่างนี้พูดไม่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องโดนดุด่าว่ากล่าวเป็นธรรมดานะนี่แหละที่หลวงพ่อพูดในที่สาธารณะอย่างที่ พูดเมื่อคืนนี้สรุปแล้วก็คือให้ชุมชนสังคมให้มีกฎรละเบียบในการเป็นอยู่ด้วยกันเพราะว่าการฟังยลวงพ่อขยกขึ้นมาแหละฟังการฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดข้อจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดที่เราได้ฟังแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทาความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟัง อัดฟังธรรมหรือจะฟังเรื่องเก่าก็าเถอะแต่เขาสวด ah sam ma, sam นโมตัสสะปะกวะตัวอรหัตตสัมมาสัมโพธัสัยติปิโสปะกวะทั้งเขาจะสวดคําเก่าก็าเถอะเรานั่งปะนมมือฟังจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเพราะอะไรเพราะเราได้ฟังสวดมนตะิปิโสนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้ฟังอัดฟังธรรมกันกลองไตรตรองไป ถึงจะพูดท่านพูดคำเกา่าซ้ำเ ก, าเาเกา่าก็เถอะแต่ฟังเข้าไปแล้วมันถึงใจมันถึงจิตใจของเราเราก็มีความจิตใจสบายในจิตใจใค่อยๆวัดไปชำระจิตใจของเราให้ห่างเหินจากความที่ไม่ดีความคิดความคิดไม่ดีในใจของเราตัดออกในความคิดในเรื่องนั้นๆเพราะฉนั้นขอให้พวกเราตั้งใจฟัง เมื่อตั้งใจฟังแล้วจะได้รับความร่มเย็นผาสุขเราก็จะได้แยกแยะออกว่าเอออันนี้พูดผิดอันนี้พูดถูก อ, อ, อันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องเ อ, อเมื่อการได้ยินได้ฟังคนนั้นพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขามีเจตนาอะไรในการพูดในเรื่องนี้ขึ้นมาเขามีมุ่ความมุ่งหมายอย่างไรในการคําพูดเช่นนี้ขึ้นมามันมีความหมายใน ในคําพูดนั้นออแต่ท้าว่าพูดไปสเปะสปะไปเรื่อยอันนั้นเราก็รู้อีกมันกันอันนี้มันบ้าพูดแล้วก็ไหวกันนะเอบ้าพูดบ่าคิดไม่ได้คิดในกันกลองไตต้องซะก่อนคิดได้คิดพูดนะเอพูดได้พูดเอาพูดโดยที่ไม่คิดไม่อ่านฮะอพูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ฮเอเราฟังโดยแล้วเราก็นะเราฟังอีกครั้งสองมันก็ลักษณะเก่าอีกฟังอีกครั้งสามก็นะโอ้นี่ใช้ไม่ได้ฮ อันนี้เราก็รู้แก่ใจของใครของเราเหมือนกันไม่ใช่เหรอเนี่แหละการนีก่การฟังก็เหมือนกันเมื่อฟังไปแล้วมีมีเห ต, มเหตุมีผลอย่างไรนํามาพิจารณาในเรื่องนั้นๆเนี่ยเรามาพิจารณาในเรื่องนั้นๆแล้วกันเนี่ย เ, เราก็จะได้มีประโยชน์สําหรับตัวของเราได้ยินได้ฟังเพราะคนเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะพระลูกพระหลาดเพราะนั้นเป็นผู้ฟังนะ ดีกว่าที่เป็นผู้พูดนะครับเป็นผู้พูดถ้าพูดจะปสปะก็ยังวาดเผอเผยยังเว็นเป็นที่ตำาหนิ้อีกต่างหากถ้าเราเป็นผู้ฟังเราจะได้ความรู้ในการฟังไปไปนาสถานที่ใดให้เป็นผู้ฟังเป็นผู้ฟังจะดีกว่านะเป็นผู้ฟังจะดีกว่าถ้าถ้าจะให้พูดเอานิมูลท่านพูดพอพูดแล้วก็เป็นผู้ฟัง เออเราจะไม่แซงเราจะไม่แสดงความคิดเห็นในขณะที่ที่เขาพูดนะหลวงพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเขาใครไม่มีใครพูดหลวงพ่อก็หาเรื่องมาพูดแต่ว่ามีเข้ามาไปชมหลวงพ่อเอาพูดชี้ให้เป็นองค์องโอค์ออพูดแต่พูดก็มามีเหตุผลฟังฟังฟั ง, ฟงมีเหตุผลเหตุผลเหตุผลก็เออเอาเหตุผลท อ, อลพอไปพูดไปนานๆเข้าไปอ่างเหตุผลมันวนอนะไรได้ี่ อมันบนนะ่นมันบ่นเราก็รู้มื่ว่าคําพูดมันบ่นแหละเอายุดซะก่อนแต่ตัวเองยังไม่รู้นะคนที่พูดยังไม่รู้นะแต่เราฟังรู้แหละมันบนนะ่นมันหมดคาจะพูดละอายุดซะก่อนให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพราะนั้นให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นในเมื่อแสดงความคิดเห็นกันเราก็จะเป็นผู้ฟังอีกนะเอผลในสุดเราก็สรุปได้ว่าการพูดในวันนี้เนะี่ย เรื่องราวที่เรายกประเด็นขึ้นมาให้การพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลนั่นเราสรุปได้เลยเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ น, น, นี่การสรุปนี่ก็โอ้บางคนสรุปได้ดีมากนะหลวงพ่ อ, อ, อบางทีตัวเองไม่ให้สรุปนะให้คนอื่นสรุปเอาสรุปเลยซิอย่างที่หลวงพ่อไปออไปชมที่งานออดูสดูแลสติละ ดูแลโลครคภัยไข้เจ็บองหลวงตามีทั้งสิริราชมีนะับหมอใหญ่มาเลยละ่ะศาสตราจารย์ไม่รู้กี่ท่านแล้วก็ขอนแก่นอีกมีคณะบดีมีรองถึงหลายคนแล้วก็มีหมออีกแล้วก็อุดร อ, อีกทั้งพอ อ, อทั้งหมอมาประชุมกันหลวงพ่อก็นั่งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เออใครข่ว่าต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นไงหลวงพ่อก็เออเอาอาตมาฟังยังฟังหลายๆท่านดูแล้วก็ยังควยเขวะอยู่เพราะแสดงความคิดเห็นขอให้พออโอรงพยาบาลศูนย์อพอสรุปได้ไหมว่าที่เราประชุมกันในวันนี้เนี่ยเราจะเดินไปใ น, ในทิศ ท, ทางไหนหลวงพ่อยังจำไม่ลืมโอ้ท่านสรุปได้ดีมากเลย หลวงพ่อยังจำไม่ลืมเมืทั้งทุกวันนี่เออสรุปการสรุปผลงานต้องสรุปแบบนี้เอ่อใครัครบอเอาคนนั้นบ้างเอาคนนี้บ้างเอาเรื่องราวของคนนั้นคนนี้บ้างเออที่ประเด็นนั้นประเด็นที่ประเด็นเด่นๆแต่ละคนเน่ะมันก็ไม่ใช่เด่นทุกคําพูดใช่ไหมล่ะเอาประเด็นที่สง่งที่พูดออกมาที่คําไหนเด่นะท่านจับประเด็นได้ดีมากลเลยจากนั้นมาสรุปไปให้ฟังอืมหลวงพ่ออืีอ่ฮเน่ยนั่นแ่ะ คำว่าสรุปประเด็นนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่บางคนก็สรุปประเด็นไม่ได้เรื่องก็มีถึงเยอะแยะเหมือนกันแต่นี่ไปสรุปประเด็นที่เราไปชมกันมาเนี่ยฟังดูแล้วออพอใจเข้าใจทุกเรื่องเข้าใจนี่แหละในเมื่อสรุปประเด็นทุกคนไม่มีใครค้านที่เขาสรุปออกมานั้นก็เป็นที่ยอมรับกัน กราก็พร้อมที่จะเดินไปจุดจุดที่คนที่สรุปประเด็นนะเพราะพวกเราก็ควรจะเดินไปตามสายที่รรทสรุปออกมานั้นถ้าว่าใครยังเห็นแย้งในการสรุปออกมานั้นก็แย้งได้เพราะพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละอันนี้ก็คือการให้ความคิดเห็นในชุมชนในสาธารณะสรุปแล้วให้เป็นผู้นั่งฟัง ปล่อให้พูดแต่ละคนละคนอจะแสดงความคิดเห็นเราเป็นผู้นั่งฟังนี่แหละอันนี้แปลว่าเราจะได้ความรู้หรือว่าความเข้าใจในเรื่องนั้นๆในชัดเจนเหมือนกับเรายืนนิ่งเรายืนนิ่งออหัวตาก็าไม่กระพริบเลยหรว่ลับตาเลย น, ะนิ่งฟังแต่คนอื่นเขาแสดงพูดพูดพูดพูดพู ด, พด ถ้าเราก็มีแต่พูดคุยกันอีกต่างหากไม่สนใจฟังแล้วเขาพูดจะเข้าใจได้อย่างไรเพราะตัวเองก็วันไหวไกวยแข่งเพราะนั้นการไปนักสถานที่ใดให้เราเป็นผู้ฟังตั้งใจฟังไว้ดีกว่าเราจะได้รับความรู้ความฉลาดในการได้ยินได้ฟังรู้ประเด็นในการได้ยินได้ฟังนั้นอันนี้ก็ฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองนะ ไม่ใช่ไปสถานที่ใดก็นู่นเอาเรื่องไปประชุมเรื่องนี้หุ่นเอาเรื่องไปเที่ยวอังกฤษอเมริกาไปที่ไหนไหนเออเที่ยวครับเที่ยวบ้าเที่ยวบ้าเที่ยวบอแล้วก็ไม่รู้นะเอามาพูดมันจะเข้าใจได้อย่างไรมันจะเข้าประเด็นได้อย่างไรเพราะนั้นให้เราเป็นผู้ฟังไปทาสถานที่ใดเป็นผู้ฟังไว้ดีกว่าในเมื่อฟังแล้วก่อนที่เขาจะพูดก่อนที่คนเขาจะพูดในระดับที่เขาจะพูดเออ ระดับไหนเขาก็กันกรองว่าเป็นคําพูดที่ดีที่สุดอที่เขาพูดออกไปนี้เอเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ผู้ฟังทั้งหลายชื่ในการพูดของเรานะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างหลว ง, งพ่อพูดตอนเช้าก็เหมือนกันนะคณะตาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อถึงจะถึงจะพูดทุกวี่ทุกวันก็เถอะนะหลวงพ่อก็พยายาม เอาคําพูดที่ว่าออกมาจากใจอใจของเราเป็นอย่างนี้ใจของพวกท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วพวกใจใจของท่านก็คงจะคิดอย่างนี้เราจึงเอาใจของเราไปวัดไปวัดไปวัดแต่ะเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขาไปให้พวกเราสังเกตดูนะบางทีหลวงพ่อหลวงพ่อไม่รู้เอาเรื่องไหนมาพูดแต่ละวันนะว่า <laughs> พวกพวกเราก็คงจะคิด แต่พวกเราไม่ได้สังเกตใจตัวเองนะมันคิดแต่ละวันมันกี่พันกี่หมื่นกี่แสนแต่ละขนาขนาจิตขนะดใจที่ที่พวกเราคิดนั่นแหละมันมากถึงขนาดนั้นจุดนับไม่ถนับไม่หวัดไม่ไหวถ้ามีสติแล้วก็พอจะไหวได้ว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่ละครั้งแต่ละเวลาแต่ละนาทีแต่เรื่องเราเราคิดวิตกกังวลเรื่องไหนแต่ละวันแต่ละเวลาในช่วงนี้ เราก็จะรู้ได้นะแต่เรามีสตินะถ้าเราไม่มีสติอย่างว่านะทํำยังไ ง, งมันมไม่มีสตินะเออละเหยลอยลมไปเลยเมแมลงวันบินเข้าปากก็ยังไม่รู้จักว่าเป็นอะไรบินเข้ามาฮนะพอพราะ อ, ะรพอเราไม่ไม่มีสตินะเราขาดสตินะเพราะฉนั้นสตินสําคัญนะลูกหลานนะคณ า, าจาติโยมนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร